ให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเรื่ากันรยานมิตร <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่นะ่าภาพภูมิใจพวกเรานะ <c oughs> เกิดสุดท้ายภายหลัง3 0 0 0 4 0 0ี่พปียังได้งลดกคนวลล่มโบราณมาจะน่อยไว้ ส, สวดเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพุทธปจจนะอาส า, าทยายเข้าถึงกายวาจายใจของเราได้ นาโมธนาพระอานนท์เป็นพระหูสูตรยิ่งใหญ่สามารถจำสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดพระมหากัจจปะเถระก็ช่างเฉลียวฉลาดได้สังายนาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้นิบนพระที่ลู้ที่เห็นที่ได้เยินการแสดงธรรม ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสั่งสอนที่ใดบ้างเวพระสูตรต่างๆก็มีหลายรูปแต่ว่าอานนนในเจงกว่าจำแม่นได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าเลือกพุทธอุปถาคพระสงเสนอให้มีพระอุปถาคพระพุทธเจ้าพระสงค์ทางปวงก็เสนอพระอนน์เป็นผู้ที่อุปถาคถูกลงมีมติให้อานน ผู้ติดตามพเจ้าก็ดูแลอนุนก็ขอพรจากผูิเจ้าเลยว่าถ้าจะให้เป็นผู้ที่อุปถักพ์ผูเจ้าขอพรจากพระองค์หลายข้ออย่างนั้นก็ว่าถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ใดให้ข้าพระพุทธเจ้าติดตามไปด้วยพระเจ้าก็ถามว่าเธอประสงค์อะไร หมายก็ว่าถ้าผูาอยู่ใกล้คิดกับพระ อ, องค์เมื่อมีผู้ถามว่าพระ อ, องค์สอนทำอะไรที่ไหนถ้าบอกไปได้ก็เขาจะติดกินนันทาเอาเหลือแต่ เ, เป็นพุทธากไม่รู้ไม่ขี้อะไรเลยพระเจ้าก็อ้าวสาธุพระสงฆ์ทั้งสอง ก, งก็สาธุบ่าว่าอีกข้อนึงว่าถ้าตามติดตามพุทธปลาก ของพระองค์แล้วขออย่าได้ประทานกีบอลบาทบินทบาทที่เป็นของวานี่แจ่ข้าพระเจ้าเลยพระเจ้าก็ถามว่าทำไมยังขออย่างนี้คนเขออาจะติขี้นั้นทาว่าเป็นผู้ปัตรถากเพื่อรับจ้างเอาของรอบสกุลละจากองค์พระสงฆ์ทั้งหวงก็สาธุพระเจ้าก็สาธุขออย่าให้กี่บอลอะไรทั้งหมดไปพระมันละอะไรจะมาอะไรทั้งสิ กัวข้อไปไปดูนะในตำเลาจากน้อยพระสูตรที่เรามาสวดธรรมวัดเนี่ยเวลาพระมากรจยปะสำสังกนาขัางแรกมีพระสงฆ์อุปการชีวกบวชเมื่อแก่เหมือนพวกเราน่หลวงพ่อ ก, กรมเนาะช่วงจ็บพระทำไม่ได้แต่ไหน ม, ไมนั่นน่ะพระพุทธองค์ไปรี้ผ่านที่กุสินารา หมู่พระมหากรปะอยู่ไกลมาไม่ทันจะมีเรื่องว่าแต่วายพระเพิงไม่ลุกไม่ติดต้องรอพระมหากระะมาถึงก่อนพระมหา ก, ะกะระจะก็พาหมู่สองมาสุภัทะปริพาชกปวดเมื่อแจเดินสวนทางมาถามว่าท่านมาจากไหนมาจากกุจิลาลาโอรอบว่าภูตองปริพันธ์แล้วใช่หรือก็ใช่ ภิสษุทั้งหลายก็ผู้เป็นปู้ดชนก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจังวางไม่ได้แต่พระมหาการะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ห้ามพระทั้งหลายทาใจทาใจพิกษุปริพานชออกองนั้นก็่ลยพูดกันว่าท่านจะไปร้องไห้ทำไมดีแล้วพระพุทธเจ้าปริพาน จะไม่มีใครดุใครด่าเราอีกเราจะอยู่อย่างสบายใช่ไหมอ่มีใครมาดูมาด่าเตือนน่นเตือนนี่ล้ำคาญเหลือเกินเมื่อพระ อ, อง์ยังอยู่พอองปัตินิพานไปแล้วก็ดีอะเกิดปะกตบ อ, อกตัว่างโอ้ยเศร้าใจปรตินิพานยังไม่ถึงเกยียตวันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในหมู่สงฆ์ก็คิดขึ้นา่าโอ้ทาไมเนอทําไม่ได้คาสอนพรเจ้านะี่ เห็นไปคนละทิศละทางแล้วคำสอนน่ยจากที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนิฆะนิฆคยหางอนั น, นทะบุขามิประไวหะประไวหงนางอนันทาบุขามิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษเดกไม่มีหยุดเราจะขนาบแล้วขนาบเบียกไม่ไปหยุดนอนนอนเลยผู้ใดมีเกณฑ์สารมรรคผลเนพาลเจงทนอยู่ได้นิธินางวัตประวัตินางยักษ์ปเจวทัฒนีลังนิฆะ ว, ว่าถึงเมธาเวงตาที่สังมณิทัทงปเจ เมื่อเธอคบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีเจดียฝ่าเดียวไม่มีลเลยคุเจ้าพูดกับอา น, น, น, นุนอนก็จํามาทําให้เราสวดมุกยินีลยใช่ไหมนี่คดังขับแล้วคดัง ข, บขับอีกบางองไม่ชอบใช่ไหมจู่ยี่โจเกะกันไปหลวงพ่อกรมเนี่ยเนาะเวลาเทียดจะอย่าว่าไวกันไปแล้วย่าเหมือนกับบน่นอย่าเหมือนกับด่าเขาเขาจะหาว่าเราด่าเขาผมคางงานบริการหลวงพ่อกรมเวลาเทียไหลออกมาพูดได้มันไม่ทันะ บางทีพูดไวเกินไปไม่เอาเลยน้องตากันเขียนพูดเนี่มุ่งออกไปเลยบางทีมันพูดให้มันไม่ทันมันไหลออกมามากมันน้ํามันอั้นไวมันเปิดไม่ทันท่วมไปเลยบางทีรัวไปเลยน้ําท่วมวัดสู่ตัวเราไปีห้าศูนย์ลากไปเลยท่วมเก้าของลงทานเสียหายหมดเดี๋ยวนี้พวกเรานอนเราสบายเวลาฝนตกเนาะ แต่ก่อนนี่เวลาฝนตกทีใดเนี่ยโอ้ยหลงทานเป็นไงเนองหลงพอก็นอนชิดบ่านนี้คงจะทั่วหมดเลยพวกเราไอา้ชีพู้บวาจิกาทั้งหลายต้องครีคจอเจ็บข้าวเจ้าของเป็นวันวันเลยเข้าสารเป็นสิบกระสอบน้ำทั่วหมดเลยต้องไปแจกจ่ายใช่ว่านะั้มันท่วมไปอันนี้ก็เหมือนกันการพูดธรรมะพูดไวๆใช่เสียงไม่สุภาพ ฟังเสียงโดยเองจังหวะจะโกนลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดตอนจะต้องทำไปตามลำดับขององค์ธรรมกัิกไม่มีอาคติใดๆเป็นกลางอันนี้คือแสดงธรรมเปพ ร, พระสุภะปริภาชกฟังไม่เข้าใจหาว่าพระเจ้าด่ากันไหชี่โทษนครับไม่ชอบก็เลยพูดคำนี้ออกมาได้มาก็จะปะโอ ก็ไม่ได้แล้วทําไม่ไห้ของเราในคําสั่งสอนพระเจ้าเห็นแต่แคกไปอย่างนี้จะทําไงหนอจะอยู่ได้หรือสัจธรรมคำสอนเมื่อถ้าไหวเพื่อเพลิงแล้วไปชมสงคันดีไปทำสังขยนาล้อยกองขึ้นมาขาดไม่ได้คือพระอานนุ์พระอานุ์ยังไม่เป็นพระหลานเลยผู้ที่สําสังขยนา น, านี้พระสงฆ์สมัยนั้นพระมหากริญปะเป็นประมุก เป็นประธานสงฆ์เป็นพระเถระขาดไปได้คือพระอานุ์เพราะพระอนุนจําได้แต่ว่ายังไม่เป็นพระเสขบุคคลอาเสขาบุคลบคลไปไม่เปลี่ยนพระหลานเข้าสังขยาไม่ได้ไม่จัดเกณฑ์พระสงฆ์ต้องปลงกุลเลยให้อานุ์ปฏิบัติธรรมให้เป็นพระรหลานก่อนถ้าไม่เช่นนั้นสําขังหนาม ไ, มไดแต่ขาดกัได้นอานุ์ก็ถูกสง์ สั่งให้ทํางานกรรมฐานขึ้นมาอานอนท์ก็เอาแล้ววันจนพระอุปถัาคพระเจ้าจนพระเจ้าปริพาน์ยังไม่เป็นพลันกับเขาเลยตอนที่ปริพาน์ไปใหม่ๆนะผู้จงปริพันธ์ไให ม, ใหม่ลองให้นะอา น, นนทะ์อยู่เขตตะวันเนี่ยบรงทีญาติ ย, ยอมสองสารสงสารเห็นอานอนท์เวลาบ่ายสามบ่ายสีไปอยู่คันตะกุฏิของพระเจ้า ไปเช็ดไปถูไปอุปถามภ์กุศลนะไปบูชาไปกราบไปไหว้ตักน้ำจากบ่อขึ้นไปให้พระพุทธเจ้าสงฆ์ทุกวันอานนอนไม่มีพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทําเหมือนเดิมตักน้ำขึ้นไปก็ใส่พระองค์ผู้เจริญ น, นี่บนบ่าสสงน้ำพูดอยู่คนเดียวเหมือนบ้าใช่ไหมเห <laughs> มืนบ้าเลยนะ เ่อาชาวบ้านแถวเชตตะวันสาววัตถีมาเห็นเดินทางโอ้่าสงสารพาะนนลองให้ทุกวันเพราะอานน์ก็เป็นลูกน้องชายของสุตโตตนะเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องกันสุตโตธนะสุโกธนาะอามิโตธนะเอออาะนนก็ถูกเพื่อนบังคับเกรรมฐ า, านแบบหนึงวันสองวันคนมีความรู้นะอาโนนเน่ยพระสูตรต่างๆจำได้หมดแลว สะสมตัก ง, งปวงก็มาถามพระหลานทั้งหลายเป็นไงไงอ้อนุนนะไอ้เราก็เอาคนมีปัญญาคนมีความรู้นะเหมือนพวกเรามีความรู้มาน่งไม่ใช่งโง่ที่ไหปัญญาชนดังนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนอนุบาล น, นะต่อยอดไปเลยอ้นุ่งก็อ๋ อ, อรออีกสักหน่อยอรออีกสักหน่อยมันคือมันใหญ่เหมือนเราทํางานมันใกล้จะเสร็จแล้วนะ เมือนหลงตาล่ อ, อกงกําแพงไะโผล่ไปโผ โ, โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วอ๋อีกหน่อยก็เสร็จละพอดีอาจาร์ตุ่มมาช่วยเช็บเลยทันทีอ่ากำหนดได้เหมือนเราทํานาเกี่ยวเข้าปักดํานามีคนถามว่าใกล้เสร็จหรือยังอ้าออีกสองคนเจ็บมันกําหนดได้งั้นวลนก็พูดออกมาเลยว่าใกล้แล้วกล้แล้วเมื่อมันใกล้เท่าไรก็เล่งเข้าไปเล่งงานเข้าไป ตาไถนากนเล็กงานจนตีร่องชายมันไม่เลี่ยงด้วยมันไม่เลี่ยงควายให้องชายไมวเควายปีนเี่ตกหัวร่องชายล่มลงไปเลยโอ้ยเสียใจทั้งตัวแนี่ยในที่สุดเราสอนกันถามเหมือนพวเราถามกันเวลาปัดบัดเป็นกายบางคนก็เออดีบาคนก็โอ้ว่วงนอนโอ้บางคนก็ชิดมากเขมาสอนกันแบบไหนเป็นเพื่อนกันจนว่า อ น, อนนเห็นกระแสแห่งพระในผานต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเอาละไม่หลับไม่นอนเลยจนแสงเงินแสงทองขึ้นโอ้ยเราทําความเพียนไม่นอนเลยขอเงียบสักหน่อยก่อนนะพอมีสติเจะนอนเลยเงียบสักหน่อยพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าใจมันไม่ไม่ขี้เกียจนะเอน็นหลังลง โอยยังไม่ถึงหมอนปรุษ ท, ทํานั่นตือเนี่คนมีปัญญานะพระอานุน์ได้มรรคนิพพานอยู่ในอริวัตไดบางทีมีคําถามในเวลาเราเรียนนักธรรมปัญหามาถามพวกเรากันดักเดีองพระอานุน์ได้นิพพานอยู่ในอริวดดัตใดบางทีพระเจ้าถึงปัญ น, นิพพานได้อริวัตอรวัตดังอยู่ใต้ต้นเสมาโพ รูปนี้รูปปณิพาน์รูปอะไรต่างๆรูปพระพุทธเจ้าเน่ยสแสดงถึงปางต่างๆลักษณะต่างๆท่านอนก็อยู่พระใช้ตอบว่าอไงอนอนปณิพัน์อยู่ในอิริบฏใดยังไม่ได้นอนเฉพาะอริบทนอนได้เลยงอนไม่ถึงงอนเลยเฉพาะอิริบทนั่งได้เลยเอนตัวลงไปแล้วอ น, อนอนนิมได้มรรคปณิพันธ์ไม่มีอริบทใดเลยพระโสดาโอดีวิตะ อยู่ในอิบทเดินจงกรมไลยลูกแคนั้นเอง น, นี่เรื่องเป็นมานี่อานอน์ก็เข้าประชุมสังขนาได้เลยเวลาพระมหากษัตเป็นประธานถามพระพุทธเจ้าแสดงที่นั่นเรื่องอะไรว่าอะไรมีใครเข้าใจบรรลุธรรมบ้างอาโนนตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยชัดชัดชั ด, ด, ดัดวารีบ้างอานุท่าบ้าง โมกขาลานบ้างสารีบทบ้างสาวนากริวิตะบ้า ง, าางจึงจำได้หมดเลยจึงเป็นพระหูสูตรเรื่องนี้อานนุนแม่นจริงๆเราจึงมาสวดกันทวนน่มันวิเศษจริงๆนะการสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรต่างๆพระสูตรต่างๆนะ8ป0 0มนสพันเรื่องอยู่ในหนังสือถ้าเป็นบาลีสี่พันเล่มถ้าเป็นภาษาไทยกับแเล่ม คนโบราณขนาดไห น, นเราจะว่าเราดีเลยฮ ะ, ะ, ะเป็นผงทุดีนิดน้อยอยู่ในฝ่าพระบาทของพระเราว่าหันสมัยก่อนเราอยู่แค่นี้ก็ว่าเราดีเลยหมดเลยหมดสภาพเลยเราจึงไม่ไม่มีทิฏฐิบาณนะใดๆเนาะไม่ไน้ใ จ, จเสมอนนสภาพความรุษจ์กของเราเนาะ้าเรามาสวดทุกวันเนี่ยมีแต่ของถูกต้อง เป็นสูตรสําเร็จไม่มีใครตัดออกได้ไม่เหมือนธรรมนูญของไทยและธรรมนูลของไทยขีกเที่งเลยืยเขียนใหม่เลยสมมุติบัญญัติตามสถานการณ์ของคนหมู่มากแตี่เกิดทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูลเพราะอะไรเพราะสมองของคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมของคุณเจ้าเลยโอ้ยแน่นอนที่สุดเลยรูปไม่เที่ยง เอวังพะหูหลังสาวเจวีณติคําจังสอนของสองเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปนาจักบกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำํำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถูกไหแล้วเคยมีตัวเบนตอนอยู่ในกองไม่เที่ยงนี่<ม>กี่ขั้งกี่หน<ม>เป็นทุกข์ปกครองไม่เที่ยงเป็นสุกขปกครองไม่เที่ยงมีไหมเรานั่งอยู่นี่อ่ะมีไหไม่มี มันยกแมกขึ้นมาทําไม่หลงไปเจอๆเนี่ยมันขนาดเนี่ยคาสอนเนี่ยเราจึงมีเงระดกแล้วอันเป็นคําสอนเนี่ยศาสนาธรรมเนี่ยแน่นอนที่สุดสาศาสนาพิธีโดยเฉพาะศาสนาพิธีเนี่ยมาบรรจุทีหลังจะมาประมาณสองพันล้ร้อยเก้าสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบเนี่ย มาบรรจุสาสนพิธีลงไปในการศึกษาเป็นหลักสูตรของการศึกษาของสงไทยตกหมู่บูชาก็มีประมาณนี้สองวันสี่ร้ยเาสนี่ยสร้างตุงหมู่บูชาขึ้นมาจากนั้นพิธีวิธีกราบไหวสารัตนชินรัตนธรรมบรรจุลงไปให้เป็นรูปแบบอันเดียวกันเอาสนะวัตถุต่างกันต่างกันเช่นพระพุทธรูปวางเจียงแสนอย่างพระพุทธรูป ที่อยู่เนี่ยทับอยู่วัดเราเนี่ยเรียกปางเฉียงแสนปางสุโคไทยต้นๆ้นบางอายุทยาบางรัตาโกศินต่างกันในลักษณะของปางนี่เยว่ามารวิชัยแ้าสมัยรัตนาโกศินก็สมัยหนึ่งอีกต่างหากรูปแบบต่างหากวีมือของสงไทยสมัยโบราณสารทวัตถุที่เป็นอติาลาไปดูได้ ลอยมือของกัม์โบราณเป็นหลายพันปีอย่างทั้งมชันต้าเป็นของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยฝ่ายพุทธศาสนาอินเดียพากันธรรมขึ้น ม, มาแล้วสงสมัย น, นั้นก็แยกออกเป็นสงนิการียกว่าเถรวาดกับมหายานมหายานเป็นพระกลุ่มนึ่งที่ไม่ไม่ได้มาร่วมสังฆนานาด้วยก็เลยมาไม่ทัน ว่าพิชิตสุส่งอีกหมู่ที่สำคัญสังไขานานั้นก็บอกเก่าวให้ฟังว่าเออจ้าก็ได้จะไม่เอาก็ได้ก็แตกกันเป็นสงในกายเรียกว่ามหายานมหายานนี่ก็ยังจับต้องกายเยิงจับอะไรอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งนั่งฉันด้วยกันได้กินข้าวมือเย็นได้ <laughs> แต่ว่าเขาก็เขาก็ดีนะเจียงนะอย่างเขาสร้างสร้างอ่าบ่อน้ำพุทโธเนี่ยอินโดนีเซียไปดูดิ มหายา น, นั่นน่นเช่มแข็งเขาเจ๋งจริงนะพิชฌุนีเนี่ยลุง ต, ตาเขาไปอยู่ไต้หวันอยู่กับนิวยอร์กเกับพุทิจีฝ่ายมหาญานสงเขาก็เจ๋งนะเวลาวันเสาร์วันอที่เนี่ยทุกคนน่พระสงฆ์ทุกลกูกมพิกุานีทุกลกู่นี่ไม่ใช่เดินทำอะไรวิ่งเอาต้อนรับเ้าโยมเจ้าโยมเขากเจ๋งบริการดูแลวัดวาร้านเจ๋งเวลาพระอายุแปสิปีอย่างลุงตา กงองหลวงกองอ่ะเขาปลดกเกษียณให้ไม่ให้เป็นผู้นําเขาสร้างบ้านให้อยู่มีคนดูแลอุปถากภ์หลวงตาเจ้าวาดที่หลองตาไปอยู่ด้วยนะอายุแปปีเวลาสอนประสูทธ์ต่างๆเขายังให้มาสอนอยู่เป็นข้างเป็นข่าวก็มีอุบาจิกาเป็นผู้อุปถากมีรถคันหนึ่งไปจําตําแหน่งให้ขับรถพามาเวลาลงจากรถอุบาจิกาก็จับปีกมา มาขึ้นนั่ง <laughs> ถ้าเป็นเราเไว้ไห้ไหมเทพระบาทเราไม่ได้แต่มหาหยานเขาทำได้หอปีกกันมาทำอาหารการฉันดูแลชาววัดเขาคณะกรรมาการวัดนะ่ะสร้างบ้านให้คนมีอายุอย่างยมที่มาอยู่ด้วยกันนะ่ะให้มาอยู่นี่มีแปดสิบหลังบ้านคนแก่วาจกอยู่บนที่หนังวาจิกาอยู่ตรงหนัง แต่ว่าพระหลวงตาที่ปกเียนไปก็อยู่ในบ้านอยู่เขาเลายวัดวารามบริหารการวัดเนี่ยญาติโยมทั้งนั้นเวลาวันเสาร์อาทิตย์เอาขนนังสือมาตั้งไว้กองไว้คนมาวัดพระสงฆ์ภิกษุณีเรียกอาหารญาติโยมโตอาหารเนี่เรียบร้อยภิกษุณีจะมีน้ำยาเช็ดโ ต, ตกระดาษทิชชู่ถืออยู่ในมือตลอด เวลาย่าอยอมาจานข้าวเจ็ดเตียนข้าวเสร็จพิจิณีพระจงรีบเก็บกวดเอาผ้าน้ํายาล้างโตชิดช็ดชิ ด, ชดเอาไปเท่งใส่ถังขยะเจ็ดวันนีในลดหนึ่งถังขยะชามเขาก็เป็นกระดาษใช่ไหมช้อนก็เป็นกระดาษมีดก็เป็นกระดาษเช็ดเตนแล้วเท้งเลยไม่ตะเกียบก็เป็นเินแล้วเท้งเลยลหลองตาไปอยู่กับอาจารย์ภาษาหน่อยาจรย์ภาษาหนทําอย่างนั้นไม่ได้เอาซื่อถ้วยไปเตียนข้าวเตีนแล้วล้างไว้ ทิ้งไม่เป็นมันเขาอันนี้ฝ่ายมหายานเขาเขาเจ๋งการทำงานทำการพิกเจดีเนี่ยไปอยู่ไต้หวันลงตาเคยไปได้หอบถามปูนขึ้นเขาเทปูนคอนคีดทำงานทำการพระนานเขาจึงสร้างโบรมพุทธโธอชันตาอารุาของฝ่ายนิกายชีเพยเขาแข่งขันกับพพุทธเจ้าฝ่ายพุทธองค์เรา กรณีกับพิสูจน์ต่างๆเป็นสาจนธรรมแน่นอนที่สุดศาธพิธีอันนีทีหลังศาสนาบุคคลคือประสงค์พวกเราก็ถือเป็นรูปแบบเดิมที่ว่าฝ่ายเทราวาฒแบบพระมหาภิกษปะพระมหากษปะให้นุง่งให้ห่มผ้าอย่างนี้ส่วนมหาญาณไม่ใช่แบบนี้ใส่กางเกงใช่ไหม เ, เสือเ้อแขนยาวเวลากินข้าเน่ย ไปแข้นข้าวเดยกันกับลองตาแนวถ้าจะเอามือไปตักอะไรเนี่ยแขนเสื้อมันหย่อนลงไปใส่อาหารไปหมดมันก็ไม่ดีเขาต้องจับแขนเสื้อไว้เพื่อเราไม่ต้องตักจับแขนเสื้อไว้ของเขาแขนเสื้อไว้เวลาเย็นก็บป่วยไปลุ่มหล่าก็ดีมากันพรแคะนั้นนี่ต่างกันในลักษณะแต่สารัศธรรเหมือนกันหมดเลย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 มันมีให้เราวางไม่ใช่ให้เรายึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่วางวางอันเกิดกับกายก็ถือไวบ้บางถือล้มไปทาวัดสวดมนต์ถือไฟฉายถือช้อนถือบาทถือจีวนจีวนบาดต้องวางในที่ไม่ตกมีพะนักวางในที่ไม่ตกไม่กิ้งพิไนัยห้ามอย่างนั้น กีวอนก็อย่าปราจากกีวอนแม้คืนหนึ่งไม่ได้เวลาฉันอย่าให้มันหกอย่างพวกกองพาชวัดเราจะไม่ฉันเพื่อเพิ่มเพื่อเพินสนุกสนานไม่หกให้หล่นเราจะไปไม่ป่วยเมเล็ดข้าตกลงในที่บาดเืนที่นั้นเราจะไม่ฉันพางสบัดมือพางเราจะไม่ฉันนังจับจับเราจะไม่ฉันดูจู้จุดเราจะไม่ฉันเรียบลื่นเราจะไม่ฉันหลีเริมนฟีปาก เราจักไม่ฉันทํำข้าวหใหญ่นักเลาฉันอยู่แล้วจักไม่พูดเราจักไม่อามือเปื้อนจับภาชนะน้ําอันนี้ต้องถือไว้กายต้งถือไว้แต่ว่าใจถือไม่ไล้นะอาภัยได้นอนเราฉันในยามหกวันเนี่ยะให้ไปตั้งมัดโบงใหม่อาจรีนข้าในมุ่งนะเป็นวันเยอะขอพูดนะขอพูดสักหน่อยนะเวลาฉันข้าตรงกลางงงเพราะวันโมกเป็นทิ่งขยะของเมืองขอนแั่น กองเหมือนภูเขามีหลวงตางหนึ่งหลวงตาองค์นี้หลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาเทียนบางฉันเข้าด้ยกันหลวงตาองค์หนึ่งฉันเข้าเจียมน้ำพริกลาดมาเลยจิ้มเทไนก็ลาดมาเลยต้องเอาผ้าปูตัแกรไงไเมฆเพื่อไม่ให้น้ําลาดกี่บอลผ้าปูตักเป็นข้าวอะไรด้ำแจ้งเต็มทั้งหมดเลยหลังโกเทียนก็จับเืย ออย่างนี้หลวงพอ่อจับมือมาจิม้มหายขึ้นหายขึ้นเอาไปใช่ปากเนี่ยอยา้มันหกเอาจับเอ็กซ์จับคำข้าจิม้มน้ำเริกหายอย่างนี้ขึ้นมาหลองต่อนั้นพอฉันเข้าเจ็ดก็ดั้งร้องไห้โอ้ยอะไรเนาะหลวงพ่อโกรธหรือเปล่าเนาะหลวงพ่อเถียนพาตามยันสอนอย่างไรโกรธไหมเนาน ะ, ะเราก็ปไปถามดูเป็นไงหลวงพ่อไปยังยังไงเนีโอ้ยเกิดมาก จนอาอยุหกเจ็ดสิบปีบ่อีผู้สอนเัาสอนแนวขี่จังสีจิงมข้าวัวเป็นเฮียเหลี่ยนล่าหลวงป่อเทียนลสรสอนโอ้ยดีใจว่ะอ่านี่ตั้งแต่ประนันมาจิงข้าเรากันไม่หกเลยเรียบร้อยนี่เราจะขนาบแล้วขนาบเ็กผู้ใดขี้โทษขี้โทษแล้วขี้โทษเด็กคือผู้นั้นขี้ข่มซับให้เราจิ้มข้าวกันหกหมนเก่า ใะเบียบวินัยต้องถือให้ดีๆเรื่องอาการเรื่องใจเนี่เรื่องว่าใจเรื่องใจต้องวางเนี่ยคือของของเกิงแท้ๆ ท, ทรมัดเปลเนี่ยอาจารย์พุทธาธเป็นคนแรกในประเทศไทยแปลหนังสือออกมาทำให้เราจำวรรณามีสองรูปอาจารย์มหาธนิษฐ์ปเปลี่ยนเข้าประโยคอาจารย์พุทธาธเปลี่ยน3ประโยคแปลวางประมอมกันหนนะังสือมจำพรรษา เดี๋ยวนี้อาจารย์มหาชนิดกมลนะครับไปแล้วพออาจารย์พุทธธาตกมลนะครับไปแล้วไม่มีใครใช่ของอาจารย์มหาชนิดเลยมาใชลิดนี่ทั่วประเทศเลยสู้ปอเลียนสามไมา่ได้เลยอันนนี้นนก็ปัญญาใ น, นนักปราชญ์นั่งอย่างนั้นพุทธทาตนั้น็อาจารย์เขาพวกเราหลางตาเคยไปอยู่กับท่านไปเจาะพวกเขา ว, ว่ายทำโอวังแย่ไปเฉลยไปดูทุกวันนี้ก็ยังแ้่ไม่มีใครทําต่อ สู้พระสมัยหบราได้ยทำมอจันต้าเนี่ยโอ้ยจบภูเขาด้วยกติสาราหลังขนาดนียเก้าหลังสองชั้นองเนี่ยวันที่ห้าพุกกะลาหสองอย่าไปชีเกียดอยกันเนี่ยฝนตกลงมาพังๆเพราะว่าจะขอตอนไมาไาจันต์องไปปลูกเขื่อนฝายน้ำล้นถ้ามาฝายหวานสักเล็กน้อยเป็นจีิกรรมของพวกเรา ที่เนี่ยก็อจะปลูกอาจารย์ตุ้มจะปลูกที่ไหนต้นไม้ดีดีที่เอามานะั่นเชื่อกันปลูกนะวันข้าววันสาให้ได้คนละสิบต้นปลูกปลาให้แผ่นดินคืนหน้าไม้ปลาคืนป่าให้แผ่นดินช่วยกันอาจารย์ตุม่มเอาต้นไม้มาไว้แล้วดังนนเราก็มีจิตกรรมร่วมกันปฏิบัติร่วมกันปล่อยวางร่วมกันทําความดีช่วยกันเราก็มีสิ่งที่ทําได้นะ มือก็ปนุมมาได้ทํามดีมือก็ทำงานทำการมาสร้างตีก็ทำได้ขาก็ยืนได้แขนก็ยืนได้แบกได้จับได้วางได้ยกได้อุ้ยมนุษย์สมบัติจริงๆนะกายก็ดีใช้ได้ใจก็ดีใช้ได้ถ้าจะโกรธเนี่ยใช่ไม่ได้นะความโกรธใช่ไม่เลยไปฆ่าไปตีกันไม่ได้เอาระเบิดไปทำลายกันเอาปืนไปยิงกันเอามีดไปฟันกันไม่ถูกต้อง ต้องไม่อภัยใจให้อาภายัอาภายอยื่อถือโทษโก่งขว่งเหย่อทะเลาะกั น, กนจะขัดเคืองกันสงสารผุ้ทีเจ้าสงสารทำไมบ้างเหยือย่อทะเลาะว่วากันเว้นจากการทะเลาะว่วากันเว้นจากการอิจฉาเบียดเบียนกันอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนในโลกแน่เม็ดดินเม็ดชายต้นไม้มดแมลงย่าบียเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่าทำอะไรที่เป็นการกระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์ต่อตัวเองและคนอื่น คุ้ยกันเง็นความชั่วทําความดีให้มากมันขาดแขนเดี๋ยวนะี้วิธีทําความดีสุดยอดแล้วพวกเรานะทำไม่ไหนพระสูตรสติปัฏฐานในสูตนะรเนี่ยผ้าโนนจำปาไป เ, เขียนลงไว้ในพระไตรปิฎกดีเหลือเกินแล้วมาได้บอ่อหลกดีจริงๆนะในเรื่องของคนะําสอนเนี่ยเจนหนังสือส่วนมากเนะนี่ยหนังสื อ, อที่ร้อยกองขึ้นมาเป็นหนังสือ ศึกษามหาปเปลี่ยนศึกษานักธรรมเช่นตีโตเอกเป็นของพระมหาสมณะเจ้ากรมมยาวาชิรญาณว่ารถเป็นผู้ร้อยของขึ้นมาแต่ความกระจายกันอยู่ในตำราพระไตรปิฎกพระมหาสมณะเจ้าเนี่ยเอามาเป็นสูตรการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์เป็นการต้นต้นโยสมัยต้นต้นต น, นักธรรมตีก็ไม่มีนักธรรมโตก็มีนักธรรมเอกก็มีบริเรียนสองเด็นสาปริจเป็นห้าไม่มี ความผาสุนเจ้าร้อยกองมามาทําเป็นหลักสูตรให้เรียนเป็นต้นตําราต้นของการร้อยกองออกมาเป็นหลักสูตรให้เรียนจนเรามีความรู้หลงตามีความรู้ก็ได้เรียนนถ้าไปค้นคว้าหนังสือว่ใจปิฎกหาไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วอยู่ในความจะกดพระสูตรอันใดกดออกมาเป็นรูปวางให้เราอ่านได้เลยเจ้าคุณทำปิฎก บรรจุใส่คอมพิวเตอร์ะสะดวกนะพระมหาสราเจ้าเป็นผู้ล่อกองให้เป็นหนังสือเรียนตําราเรียนในประเทศไทยเราก็มีสองนิกายมหานิกายกับยุตตนิกายยุตตนิกายเกิดทีหลังในราชสมัยรัชกาลที่สมหานิกายเกิดมาก่อนตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านั่นแหะยุตตนิกายเกิดทีหลังเพราะสมเด็จพระมหาสมาเจ้าเนี่ยเป็นยุตตนิกาย ก็มีปัญญาสามารถคัดออกมาเป็นคําสอนเป็นหนังสือเรียนให้เป็นหมวดหมวดหนึ่งหมวด2หมวด3ามหมวด4หมวดสองอย่างเราเรียนอยู่สติคือความลืกทำมีภารลมาสองอย่างหนึ่งสติความเามาลมืกเ่อย 1, สองจำเป็นใจความรู้ตัวนี่มีสองข้อเป็นหมวดถ้ามันทําให้งามสองอย่างขันติความอดทนสุรจาวความเยียมบุคคลหาที่ยากสองอย่างอุพการีบุคคลผู้ทำ บ, บุพการะก่อนคคกตัญญู คนพู้ตบทแยนอันนี้หมวดสองหมวดสามหมวด4ีหมวดหหมวดหหมวดสิบนักธรรมตีเลยว่ะทำ ม, มีภาพปฏิเสธที่หนึ่งนักธรรมท ว, ว่าเลรว่าทำ ม, มีภาพปฏิเสธที่สองนักธรรมเอกเลยว่ า, มมาธรรมวิจารณธรรมวิจารณชั้นสูงเรื่องมรรคผลนิพพานไปเลยเหล่า ต, ตากดเรียนจบเพราะสูตรค้นขั้วออกมาจากพระมหาสจำราเจ้าจึงเป็นของมหามกุารหมดเลยมหาวิกายต้องไปซื้อหนังสือเหรียนจากมห า, มมหาวิจามาวิไลสองแห่ง มหมากุฎอยู่ที่วัดประวนเวทวิหารเป็นยุทธเนกามหาจุฬาลงกรมหาวิไลเป็นของงานเนกาอยู่ที่วัดมหาธาตุิุราตหลังสิทธิ์นี้ก็แต่ก็เป็นสาขาเป็นเฮียายเขตทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยการศึกษาสองมหาวิไลของสองไทยเวลานี้เพราะฉนั้นของ ม, มกุฏของมีหนังสือเยอะแยะล่ํารวยค่เราไปซื้อหนังสือเรียนที่นั่น เดี๋นี้ก็จะเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่เข้าม่ได้อย่างอาจารย์ทำประโกกเจ้าคุณทำประโยจะไม่ต้องชื่อว่านวโกวาตจะชื่อว่าทรนอของชีวิตก็ยังไม่เป็นหลักสูตรได้ยังล่างไม่ได้อการศึกษาอาจารย์ไปสานไปดูการศึกษาของพมา่าเขาศึกษาไงสงไทยท่านเข้มแข็งมากนี่ก็คือของพวกเราที่มรดกของธรรมะ มีหนังสือตำรับตำรามีคำสอนแน่นอนจนมาถึงทุกวันนี้มีคำสอนจังเอามาสอนกันได้ผลอยู่วิปัจนากรรมฐานแต่ว่าวิปัจารทุระคันาธาทุระก็มีเรียนกันสงสู ง, สงเป็นดอกเตอร์ก็มีทำงานทำการได้พวกเราก็เรียนวิปัจาธทุระเป็นกรรมฐานและไปช่วยคนก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้ วทธีบัตดอะไรปัญญาอะไรแต่มีความรู้เรื่องกายเรื่องใจเอามาทําดีเอามาแลกความชั่วได้ความรู้อะไรที่ไหนขอเตามต้องมาช่วยกันทําความดีต้องช่วยกันแลกความชั่วความดีของเรามีอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยความดีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินคำพูดอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทําความดีกายอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทํามดียิ่งยีใจใจก็มีเมตตาที่คนรุ่นเหลือไม่มีขอบเขต ลักแม้กระทั้งเมถีเมตสายให้ปานนั้นนะโลกทุก ว, วันเนี่ยมันร้อนเราจะมาช่วยกันช่วยกันอะไรที่มันดีก็ช่วยกันเวลานี้วัดป่าสุโกโตน้องตาก็สบายสบายไม่ต้องทำอะไรมีแต่เพื่อนดีๆ่าติชมดีๆมาช่วยกันปฏิบัติธรรมนี่วันนี้ เ, เออเพื่อนไฟังนาะไม่ใช่เล่าธรรมะนะเนะี่ย ให้มั่นใจเถอะพะสูตรที่เราทําอยู่นี้มาตั้งแต่นู3ปันปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยของเก่าๆยกเบอรสร้างจักรวรรดิเจ้าก็บอกว่ า, า, าการคู่ฉันเข้ามีสติการเหยี่ดฉันออกไม่สตินี่เรามาเกจนาสร้างจริงๆมันทันเวลาวินาทีหนึ่งรูปทีหนึ่งเอาไป น, นี่แหละนี่เราเสริมพลังเข้าไป